นั้นเกิดมาแล้วไม่เที่ยงด้วยเป็นความทุกข์ด้วยไม่มีอำนาจในสิ่งนี้อย่างแท้จริงควรหรือที่จะไปเยื่อใยในสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรเป็นอย่างยิ่ ง, งนไหั้นการแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อตัดฉันทราคาในในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาการประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นไปเพื่อปล่อยปละละเลย ไม่ได้เป็นไปแล้วแต่เรียกว่าเป็นเหมือนอะไรที่มันลอยไปตามน้ําได้ไม่ใช่กลุ่มนั้นนะไม่ใช่ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็แล้วแต่มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะพระพุทธไม่ใช่ลักษณะพระพุทธศาสนานิยามพระพุทธศาสนานะหนึ่งกรรมวาทีสองวิริยวาทีสามวิพัฒชวาทีกรรมวาทีคือแสดงกรรมและผลของกรรม เป็นไปตามหลักเหตุผลนะก็คือแสดงปัจจัยนั่นเองทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัยแต่ทุกอย่างที่เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ความเพียร น, นะในบรรดาปัจจัยทั้งหมดความเพียรสําคัญอันนั้นเป็นวิริยะวาทีแต่ความเพียร น, นี้ก็ต้องเพียรละบาปแล้วก็ต้องเพียรเจริญบุญอันนั้นเป็นวิพัฒชวาทีต้องจําแนกต้องแยกเป็นว่าอะไรเป็นอะไรนั้นจึงแค่ว่าผู้ศาสนานะเป็น กรร ม, มาวาทีวิริยะวาทีและวิพัชชาทีทวัวในครั้งกรร ม, มาวาทีก็กล่าวถึงกรรมและผลของกรรมวิริยะวาทีก็คือสรรเสริญความเพียรแล้วก็วิพัชชาทีก็มาจําแนกอันนี้จําแนกว่าไอ้สิ่งที่เพียรก็ต้องแยกนะเพียรละบาปต้องเพียรเจริญบุญไม่ใช่ว่าเพียรทุกเรื่องไม่ใช่แต่เพียรละนิวรห้าเพียรเจริญโพษชงเป็นต้นนั่นเอง ยอนมาว่าพระองค์แสดงอัสาธาอาทีนวะนิสรณะ น, นะลักษณะนี้เป็นเทศนาหาระที่พระพุทธเจ้าทรงแสด ง, สดงเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทีนี้สัตว์ผู้ฟังแล้วจะต้องมาแยกให้เป็นฟังให้เป็นว่าในคําที่พระพุทธเจ้าแสดงอัสาธาอาทีนวะนิสรณะนั้นต้องเป็นไปตามปุจฉากับวิสัชนาอย่างการประกาศอริยสัพเพเนนะพระองค์มีคําถามตั้งไว้ตอนแรกไหมว่า ทำไมจึงแสดงอริยสัจมีปุจฉามั้ยถ้าการประกาศอริยสัจขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยมีข้อไหมมีข้อถามไหมมีทําอย่างไรเนาสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยอันนี้คือโจทย์ธรรมดาก่อนว่าทำอย่างนรนาสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้พ้นจากวัฏจทุกข์ต้องรู้อริยรสัจสิและอริยสัจ ร, รู้อย่างไรแล้วค่อยมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอริยสัจอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นการเรียนอริยสัจนั้น เราต้องคำนึงว่าชีวิตของเราเนี่ยมีภัยชีวิตของเรานั้นเป็นเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ถ้าใครเต็มไปด้วยความสุขนีถือว่าอิ่มอยู่ในตัวเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะอริยสัจไม่จําเป็นสําหรับเขาเลยนะอริยสัจไม่จําเป็นเพราะาอริยสัจเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถอนออกจากวัตทุกข์เหมือนกับยาเนี่ยนะมีเพื่อประโยชน์อะไรมีเพื่อประโยชน์เอาไว้สําหรับคนที่เข้าใจว่าตัวเองป่วย เพราะคนที่ไม่ป่วยจะไม่ยอมกินยาโดยประการทั้งปวงอ่ะนะฉันไม่ป่วยก็กินไปทําอะไรอย่างเงีนะไม่รู้สึกว่าตัวเองจะป่วยไม่คิดว่าจะต้องป่วยไม่ต้องอะไรเนี่ยถามว่ายามีประโยชน์ไหมไม่มีฉันใดผู้ที่เกิดมาสําคัญว่าตัวเองนี่มีทุกขสมัยพุทธกาลเนี่ก็ถือว่าเขาไปฟังธรรมคือการประกาศอริยสัจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงอ า, าัาธาอาทีนวะนิสรณะแสดงผลแสดงอานัตแสดงอุบาย ให้สัตว์ทั้งหลายฟังสัตว์ทั้งหลายนี่ฟังและเข้าใจทันทีเลยว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกทุกอย่างลงแล้วหนอมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วหนอทุกไหนบ้างอะที่เรามีเราทั้งหลายเป็นผู้มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าแล้วมีความแก่เป็นเบื้องหน้าแล้วมีความเจ็บเป็นเบื้องหน้าแล้วมีความตายเป็นเบื้องหน้าแล้ว นนะมีโสกาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตเป็นเบื้องหน้าแล้วทำชนะัยการทําที่สุดแห่งกองทุกเหล่านี้จะพึงปรากฏแก่เราได้ทํำยังไงจะพ้นทุกนั่นนะเขามีคําถามแบบนี้ขึ้นมาก่อนจึงตามมาด้วยการรักษาศีลการอบรมการเจริญสมถะและวิปัสนาแต่ถ้าไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าทําอย่างไรเราจะพ้นทุกศีลก็ไม่รู้จะรักษาไปทําอะไรสมถะวิปัสนาเจริญไปทําอะไรเพราะเราไม่รีบ เราไม่ใช่ปัญหาเราไม่มีปัญหาเจริญสมถาวิปัสนาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะการที่จะรู้อริยสัจเป็นต้นเนี่ยจะต้องตั้งโจทย์ให้เป็นนะตั้งโจทย์ให้เป็นว่าเราศึกษาคำสอนทำไมเพื่ออะไรแล้วเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ตรงไหนแล้วทำไมเราต้องไปพึ่งพระองค์เนี่ยนะคำถามเหล่านี้ต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะศึกษาไปนะที่เหลือจะได้อะไร ก็เหมือนกับว่าขับรถออกจากบ้านยังไม่รู้จะไปไหนเลยดีไม่อยู่กรุงเทพนะถ้าต่างจังหวัดค่อยยังชั่วนะอาจจะวนๆไปแล้วกลับบ้านง่ายหน่อยนะกรุงเทพเนี้ยขับไปขับมาเอ้าหลุดไปจังหวัดไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยนะกลับเข้ามาอีกทีขับวนซ้ายวนขว า, ากว่าหลงทางซะอีกอย่างเงี้ยนะนี้ก็เหมือนกันนะชีวิตในวัดตะเนี่ยสําคัญมากที่เรียกว่าจะต้องอชัดเจนตั้งแต่บเบื้องแรกอย่างที่ คำถามเบื้องต้นนะในการปุจฉาเนี่ยการสอบถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่นสอนอย่างไรการสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีสอนเป็นอย่างไรสอนว่าไพาระในเบื้องต้นไพระในท่ามกลางไพระในที่สุดประกาศพรหมจัมพร้อมทั้งอาธธาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทํากับ สัตว์ทั้งหลายด้วยความอนุเคราะห์ด้วยใจกรุณาทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ไพราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสอนอะไรก็สอนสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาทสีอินทรียห้าพละหโพชงเจ็ดอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละเรียกว่าอภิธรรมนีนะตัวสติปทานตัวสัมมาปทานตัวอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรรคนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานนี่แหละเป็นสวากขาตธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดียังไงก็ดีเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ช่วยให้ผู้ฟังและปฏิบัติตามออกจากทุกข์ได้จริงก็อย่างในปาสาที่กสูตรแสดงไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดระยะเวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าเราศึกษาวัดตามตรงแล้นะถามกำจัดราคะได้จริงไหมถ้าทาตามนั้นไนะได้จริงไหมกาจัดโทสะได้จริงไหม กำจัดโมหะได้จริงไหมราคะโทสะโมหะถือว่าเป็นมูลแห่งแห่งทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะสภาพที่ไปกำจัดราคะโทสะโมหะก็คืออโลพะอโทสะและอโมหะอะโลพะอะโทสะอะโมหะนั่นแหละเป็นกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนจึงสอนให้พ้นทุกข์จริงๆสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยถ้าเร า, าเราจเริญ ตามอา น, นิสงส์ของสติปัฏฐานเนี่ยน ะ, ะทำให้เราบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะจริงได้ไหมเพราะใครที่บอกว่าเจริญสติปัฏฐานอยู่นะสิ่งที่เขาควรเอามาถามตัวเองไว้เสมอๆว่าสติปัฏฐานที่เขาเจริญอยู่นะทำให้เขาบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะได้ไหมอันนี้แหละมาถามเป็นเครื่องเช็คง่ายๆเพราะพระพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูวยความพิสูจน์ทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกโธมณัตเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่มันสติปัฏฐานสีถ้าใครเจริญจริงหนึ่งต้องบริสุทธิ์จากราคะาโทสะและโมหะนี่ข้อแรกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสองโสกปริเทวะต้องลดลงที่เคยเสียใจสะเทือนใจบ่อยๆก็ต้องลดลงนะทุกโธมณัตก็ ลดลงแล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อบรลุอริยมรรคมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยต้องนํามาซึ่งอริยมรรคแล้วอริยมรรคทําอะไรให้แจ้งพระนิพพานให้แจ้งแล้วแจ้งอย่างไรแจ้งอย่างไรเนี่ยคือโจทย์พวกนี้ต้องตั้งถามถามให้เป็นอันนี้คือลักษณะของวิจยาย์หาระนะตัวสาระของวิจยาย์หาระจรงิงๆอ่ะอยู่ที่ปุจฉากับวิสัชนาะอยู่สองคำเนี่ย เพราะอาสาทาอารีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตอยู่ที่เพศนาหาระอยู่แล้วบทอย่างคําว่าบทคําที่หนึ่งเลยนะก็เป็นธรรมดาว่าบทก็คือคอําอะนะทุกอย่างก็มีคําเป็นคําอยู่แล้วคําหน้าคําหลังปกติมันต้องสัมพันธ์กันอยู่แล้วอนุคีติต้องสอดคล้องกับคําสอนอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นสําคัญที่สุดของอวิจยรณาระคือปุจฉากับวิสัชนาะ ถามให้ได้แล้วก็ตอบให้ได้เกี่ยวกับเรื่องถามเรื่องตอบเหตุกับผลเราเนี่ยเขามีวัดหนึ่งส ม, มนเนธรูปหนึ่งเนี่ยอคือในวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านค่อนข้างเคร่งครัดหน่อยนะถ้าบอกว่าถ้าสั ม, มนเนใครมีธุระอะไรเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลให้ชัดเจนแล้วมาเล่าให้ฟังส ม, มนเนธรูปหนึ่งอยากกลับบ้านมันอยากเฉยเฉยเหรอไห ปกติหลวงพ่อก็ไปทําไมไปเพื่อประโยชน์อะไรไปแล้วมันดียังไงเนนก็นึกอยากกลับบ้านแล้วก็ถามคำตอบไม่ได้ผล น, นึกปั๊บร้องไห้เลยว่ายังไงอาจารย์แม่อุญาตอยู่แล้วเพราะมันรู้อยากกลับบ้านเฉยๆเน่ยนะก็เลยร้องไห้ก่อนเลยบอกร้องไห้ทําไมก็บอกว่ายัางไงหลวงพ่อก็ไม่ให้ไปอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลจะต้องไปอย่างนี้นะเพราะนั้นเอ๋บางคนนั่นที่ไม่มีปัญญาก็จะเข้าตําราอันนี้แหละถามอันไหนก็เงียบหมดเลยนะถามอะไรก็บื้อไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ ป่ โ, โลกนี้ใครมันจะน่าการุณาเท่าเร า, เานะะเราน่าถามว่าเราเนี่ยเคยสงสารเราไหมนะนะเออน่าสงสารจริงจริงเนี่ยสติปัญญาเจริญยังไงนะนั่งอยู่ว่างๆนะ่งเงียบๆงเงาเงาเนี่ยนะเจริญไปทําไมเจริญแล้วดียังไงแล้วบรรลุเมื่ อ, อไหรแล้วบรรลุอะไรบรรลุที่ไหนบรรลุยังไงบรรลุแล้วดียังไงถ้าไม่บรรลุเสียหายยังไงเนี่ยนะถามไปถามมาดีไม่ดีร้องไงเด้ถามตอบไม่ได้ แต่จริงๆแล้วนะพวกนี้เป็นต้องเป็นปุจชาวิสาชนาต้องถามตอบได้ทั้งหมดเนี่ยนะหลักการต้องชัดเจนก่อนเป็นลําดับแรกเพราะว่าไม่ใช่มีนอกมีในใ น, ในคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่ศักด์แต่ว่าให้เชื่ออย่างเดียวอินทรีย์ไม่ได้มีอยู่ข้อเดียวคือสัตทินทรีย์เชื่ออย่างเดียวไม่ใช้ผู้ที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมเนี่ยนะศรัทธาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้อินทรีห้าต้องประชมกัน ต้องพร้อมกันต้องทํากิจของแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้อย่างสม่ําเสมอ ก, นกันสัตทินรียวิริยินทรีย์สตินทรียสมาทินรียและปัญยินซีต้องสัมพันธ์กันถ้าอินทรีห้าไม่สัมพันธ์กันตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่าทําให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพวกที่เชื่ออย่างเดียวนะงมงายเนี่ยนะหนักๆเข้าก็ คนที่สอนเราเราบอกมั่นใจว่าคนนั้นดีที่สุดดียังไงไม่มีปัญญาตอบอะเขาดีก็แล้วกันน่ะเออท่านไปฟังเนี่ยฟังธรรมเนี่ยดียังไงก็ดีก็แล้วกันน่ะมัไม่เชื่อขยับลบดูอีกว่าไปไหนนั้นพยายามหาคําที่มากลบเกลื่อนมาสกัดจุดเขาเอาไว้ให้หมดเลยนะจริงเราก็ตอบไม่ได้นั่นแหละบอกหนักๆเข้าก็มีอยู่บาสูตรหนึ่งยังจาได้บอกทําให้พระอรหันต์โกรธและเดือดร้อนอีกแล้ว ก็มสุนขคตาลิชวีบุตรเนี่ยเข้าไปเห็นอเจลกอเจละกะเนี่ยนะนักบวชแก็บผ้ า, าศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็ไปทําโอ้ในบรรดาคนที่เป็นผ้าหัน์หรือปฏิบัติให้เป็นผ้าหาันคนนี้ต้องเป็นผ้าหาันคนหนึ่งในจํานวนพระ้าหาันทั้งหลายสันโดนเยอเกินผ้าก็ไม่นุ่งเนี่ยนะเรียกว่านุ่งลมหมอากาศทั้งหลายและเนี่ยนะวรเนี้โอ้เลื่อมสาย้ยในบรรดาผ้าหาันทั้งหลายเพราะว่าพระ อ, องค์เห็นก็ตําหนิเลยทีนี้ตอนหลังสุนขตาลิชวีบุตรก็เข้าไปเห็นก็ไปซักถาม ก็คือเอาคําถามที่ควรถามในผู้ศาสนาไปถามเขาอะถามเขาก็อึดอัดตอบไม่ได้พราตอบไม่ได้เข้าโกรธเฮ้ยเรานี่กําลังทําให้พระอรหันต์โกรธบาปแน่เลยขอโทษขอโทษด้วยนะขอโทษพระอรหันต์พระอรหันต์ก็แปลว่าผู้ไม่มีกิเลสอยู่แล้วใช่ไหมง่อยความโกรธมันก็ประกาศถึงว่ามีกิเลสอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วล่ะทีนี้ก็หมายเราทําให้พระอรหันต์โกรธเลยเข้าไปขอโทษพระอรหันต์นั้นของเราเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนักศึกษาก็ทําเหตุผล ก็ต้องคู่ควรกันเนี know, ่ยนะบางอย่างนะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวก็ขอให้รู้ว่าส่วนนี้เราอาศัยศรัทธาอย่างเดียวเช่นในอริยสัจสี่นะอริยสัจไหนที่เราควรรู้ด้วยศรัทธาอริยสัจข้อไหนเราควรรู้ว่าเราเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เราไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะเช่นทุกขาริยสัจเนี่ยเราต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมเออมันทุกจริงๆเกิดเป็นทุกเจ็บเป็นทุกป่วยก็เป็นทุกเราต้องเชื่อเพราะว่า ไม่ต้องล้วนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับเนี่ยนะเอามาพิกเอามาพาดอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเราก็เป็นอยู่แล้วอันนี้ก็ยอมรับว่าเออใช่มันทุกอย่างนี้จริงๆสองกิเลสเกิดเนี่ยตัญหาเนี่ยเป็นจริงไหมก็จริงแต่ว่าอริยสัจที่เราต้องเชื่อพระองค์ก่อนคือนิโรธสัจกับมรรคสัจต้องเชื่อก่อนแต่ว่าทุกขสัมมุทัยเนี่ยปัญหาอันนี้เรามีแล้วเหตุของปัญหาเราก็มีอยู่แล้ว กรรมและผลของกรรมก็เป็นเรื่องของเราอยู่แล้วทีนี้วิธีการเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์ให้เหตุผลหมดเลยให้เหตุผลหมดนั้นเราจะต้องศึกษาจนกว่าจะตอบเหตุผลเหล่านั้นให้ได้ถามว่าถ้าตอบเหตุผลเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกับการเดินทางที่ไม่รู้จะไปไหนการออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าดีนั้นดีตลอดสายไหมอันนะ้นอันนนข้อนนะั้คัญ เราจะปฏิบัติตลอดไหมถ้าปฏิบัติแล้วผลที่เราจะได้รับมันคืออะไรใช่ไหมอย่างเขาค้าขายทั้งหลายแหละเขาจะรู้หมดเลยใช่ไหมเขามีการวิเคราะห์ศึกษาหมดซื้อมายังไงขายไปยังไงขายที่ไหนขายให้ใครกําไรควรจะได้เท่าไหร่ควรจะมีขาดทุนยังไงถ้าจัด ก, กาไรคืนมันจะเป็นยังไงตอบได้หมดอยู่แล้วปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันผมม า, มายัางไปที่หนึงง่งนะมโยมทําบุญได้บุญใช่ไหมบอกใช่แล้วบุญเป็นยังไงไม่รู้แล้วมันได้เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วบุญมีจริงไหม ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอ้าวแล้วถทำทำไมก็บอกทําตามปู่ย่าตายายงั้นนนโยนไปให้ของเก่าของเก่าสืบสืบกันมานเนี่ยนะก็อันนั้นก็ประกาศถึงว่าเขาศึกษาศาสนาประเภทหานณาพยะรอวันเสื่อมถ้ามีคนที่มามาชักชวนเขาในเง่อื่นที่มันดีกว่าที่เขาคิดอยู่นะเขาจะไปทันทีอันนั้นเขาศึกษาแบบงอนแง่นคลอนแคลนเต็มทีนั้นเราศึกษาปฏิบัติธรรมนะข้อปุดฉากับวิสัชนาเนี่ย ให้ดีๆเลยดียังไงก็รู้ให้มันดีซะมันไม่ดีจะได้รู้ว่ามันไม่ดีจะได้ไม่ต้องอะไรอาวร์จะได้ไม่ต้องสงสัยพวันอะไรเป็นอะไรก็ควรจะเขาฟังธรรมสมัยพุทธกาลเป็นยังไงรู้ไหมโอ้แจมแจ้งนักพระเจ้าข่าแจมแจ้งนักพระเจ้าขา่าเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีในที่มืดเพื่อคนมีจักษุจะได้มองเห็นรูปฉันใดพระธรรมเทศนาของพระ อ, องค์ก็ฉันนั้นนั่นแหละนี้ของเราศึกษาพระธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเสิ ศึกษาไปงงไปเรื่อยสงสัยไปเรื่อยโยนให้ลึกซึ้งอย่างเดียวเอารอดไหมตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะนั้นถามมาโลกเนี่ยก็ในบรรดาคนที่ต้องกรุณาก็คือตัวเราเนี่แหละนั้นคนที่กรุณาให้ตัวเองนะเปอร์เซ็นต์พ้นทุกมีเยอะนะมัจะเริ่มค้วนขวายและอะไรนะจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกจริงจริงเนี่ยนะปุจช้านะอยากจะทวนถามอีกครั้งหนึ่งว่าปุจช้าเนี่ยปุจช่าวิสัชนาเนี่ยสําคัญที่สุดใน เทศนาหาระเอ่อขอพายวิจยะหาระถามว่าเอาอะไรมาถามมาตอบก็เอาอัศาธาอาทินวะนิารณะผลอุบายอานัตนั่นแหละมาถามมาตอบให้เป็นอย่างดีถ้าถามไม่ได้ตอบไม่ได้ให้รู้เธอว่าเรามีปัญหาแล้วนะการศึกษาของเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วหาทางแก้ไขเธอเนี่ยนะเอ่อการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเาเรียกว่าต้องตรวจสอบสมบัติและวิบัติของตัวเองตามการอานะ ว่าเราจเจริญไปถึงไหนแล้ว น, นะไอ้ที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยนะอันนี้วัดผลต้องวัดผลได้เกิที่ที่มาเน้นมาพูดตรงนี้นะเพราะว่าของอมาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นมาก่อนไม่รู้สักอย่างเลยนะเขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีอ่ะไม่เชื่อก็อย่าลบลูก็แล้วกันฉันเชื่ออย่างไงก็ได้เหตุผลอยู่เท่านั้นนะนะคนอื่นเขาเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันหัวมันมันขีน้ดื้อนะก็ เ, เลยเขาอย่าไปยุ่งกับมันเลยเขาก็เลยปล่อยๆเรามาลักษณะนะั้น แต่ว่าก็ทํามาเรื่อยแบบไม่ค่อยไม่มีเหตุผลมากนะักเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นให้ให้ตอบให้ได้เหตุผลเพราะอะไรแต่ถ้าเราตั้งคําถามเป็นนะสิ่งที่เราคิดไม่เกินพระพุทธเจ้าคิดทั้งหมดะนะก็บอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งภาษาดิบุตรท่านแสดงว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่พึ่งอาศัยอากาศเนี่ยน ะ, ะก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกโดยที่สุดแม้แต่ครุดเวนไทนี่ยังไงยังไงก็ยังอยู่ในขอบเขตของอากาศ มีครุตัวไหนบินพ้นอากาศบ้างไหมมีนกตัวไหนบินเลยอากาศไปบ้างไม่มีสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันยังไงก็ต้องอยังลงสู่ภายในพุทธญาณโดยที่สุดแม้ภาษารีบุตรก็ยังยังลงสู่ภายในขอบเขตพุทธญาณไม่เกินพุทธญาณไปได้สิ่งที่เราตั้งคำถามก็เหมือนกันนะถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์พระพุทธเจ้าตอบไว้หมดแล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าใจเย็นอดใจรอสอบถามศึกษาให้ดีด แล้วก็ตั้งคำถามให้เป็นแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆและจะสิ่งที่เราถามนะจะได้รับคำตอบทั้งหมดนะะสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราสงสัยอ่ะควรรู้ว่าข้อมูลที่เราอ่ที่จะตอบเราได้อยู่ตรงไหนนะนะจึงพระไตรปิฎกก็เป็นคัมภีร์เดียวที่เรียกว่าเปิดเอาไว้ทั่วไปหมดแต่คนก็ไม่ค่อยยืมนนะทีนี้มาขึ้นยุติหาระบ้างนะว่า ยุติหาระนั้นคืออะไรคือหาข้อยุติยุตินี้ก็แปลว่าความสมควรและไม่สมควรหาข้อยุติก็คือหาข้อสมควรและไม่สมควรยุติหาระนี่ก็คือเอาเป็นเครื่องมาตรวจสอบอะไรความสมควรของอะไรไม่สมควรของอะไรก็คือความสมควรของคำสอนทั้งโดยพยัญชนะและโดยอัฐะเนี่ยนะโดยพยัญชนะและโดยอัฐะ มาดูลักษณะของยุติหาระในคาอธิบายย่อๆกันหน้าๆ242จะเป็นภูมิและโคโจรกล่าวคืออัดของสูตรอันใดแห่งหาระตามควรและไม่สมควรแห่งสั์และอัถะเหล่านั้นท่านเรียกว่ายุติหาระหาความสมควรไม่สมควรของสั์และอัถะขอพยัญชนะกับอัถะนั่นเองนะหาความสมควร อย่างที่ว่านัยุติมีสองคือสัทธยุติกับอัทธยุติสัท ธ, ธาแปล ว, ว่าเสียงอะนะความยุติของคำว่าขอบเขตของคำนี่แค่ไหนสมควรแค่ไหนอัทธยุติก็คือเนื้อความนี่แค่ไหนอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยหาความสมควรดูซิบอกวาอ่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยโดยสมุดฐานของเสียงนี้เป็นจิตตสมุดฐานเรียกว่าจิตชาศั์ เป็นโวหารของพระอริยะแสดงเรียกว่าอริยศัพท์เป็นภาษาของชาวมคธเรียกว่ามาคธศัพท์ถ้าโดยวิพัฒน์เนี่ยเป็นสี่วิพัฒน์เนี่ยนะเป็นอ่าสี่วิพัตน์นะสี่โยังโยนาหิสนังเนี่ยเป็นสีวิพัฒน์ส่วนโดยอัฏฐะเนี่ยนะก็ต้องเป็นนังจตุทีวิพัฒน์การประกอบด้วยวิพัฒน์เนี่ยเออเป็นปหูพจน์ การสามารถแยกศัพท์ได้ลักษณะนี้เรียกว่าความสมควรของศัพท์แต่ทีนี้ของเราเนี่ยมาศึกษาในแง่ภาษาไทยเราก็ไม่ต้องไปขับเน้นในส่วนนั้นมากนะักนะก็เออใช้คาเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเองหาความเหมาะสมของถ้อยคำส่วนอัถยุติเนี่ยนะความหมายของของของของคเหล่านั้นมีขอบเขตแค่ไหนอย่างเช่นคำว่าปูชาจะปูชนียานังก็บอกว่า คนที่ควรบูชาเนี่ยคือใครถ้าหาถ้าหาจะหาข้อข้อความที่สมควรกับความหมายนะใครควรบูชาก็ต้องผู้มีคุณทั้งหลายผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าพระปัเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นบริบูรณ์ด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นท่านจึงควรแก่การบูชานั่นนะอันนี้คือว่าหาความหมายในแง่ เอหาหาข้อยุติในแง่อัตถะนั่นเองอันนี้ก็เป็นยุตินะสรุปว่าหาข้อยุติแบบคํากับแบบความหมายนี่มาดูเนื้อหาโดยพิสดารหน้าสามสิบตามเดิมว่าข้อสิบแปดในบรรดาหาระเหล่านั้นยุติหาระเป็นฉไนคาถ า, าวา่าสัพเพสังหารานังหาร ะ, าระทั้งกวงเป็นต้นนั้น่ะ เชื่อว่ายุติหาระในยุติหาระนี้ท่านประกอบอะไรนะคือคือเอามาประกอบอะไรเป็นวิธีมาประกอบอะไรประกอบดังนี้คื อ, อพูดถึงการอ้างนะถ้าเป็นสมัยพู้ตกรวิธีเขาอ้างอ้างกันอนะ่ะอ้างก็เช่น ม, มหาประเทศสี่หลักการกล่าวอ้างใหญ่ของธรรมะสี่คือเวลาใครจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะมีบุคคลที่เขาอ้างก่อนใช่ อย่างสมัยนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้พระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าอย่างนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าข้ออ้างไอข้อ oh, อ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นโบราณเลยเขาเรียกมหาประเทศสมัยพุทธกาลมีอยู่สี่ปัตนมหาประเทศนะข้อแรกก็พุธทธาประเทศเออคำนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีพุทธพจน์ตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอ้างพระพุทธเจ้าพุทธาประเทศอย่างที่สองก็สังขาประเทศอ้างพระสงฆ์เช่นอ้างคณะสงฆ์ เช่นคณะสงฆ์ที่ทําสังขยานายไงนะอ้างคณะสงฆ์เรียกว่าสังฆาประเทศหรืออ้างพระเทระหลายรูปเรียกว่าสำพะหุลเทราประเทศอ้างพระเทระหลายๆองค์อ่ะนะกลุ่มอาจารย์พวกนั้นท่านว่าอย่างนั้นกับเอกัตเทราประเทศก็คือกล่าวอ้างพระเทระรูปเดียวอันนี้คือวิธีการกล่าวอ้างะนะรูปเดียวก็เช่นใครนับถือใครมากก็อ้างคนนั้นอ่ะบ่อยอันนี้แหละเรียกว่าการกล่าวอ้าง สรุว่าการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาจะอ้างนะก็อ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระสงฆ์อ้างพระเถระหลายรูปอ้างพระเทระรูปเดียวอันนี้คือข้ออ้างนะสมัยนี้ก็ง่ายๆก็อ้างอาจารย์นั่นแหละอันนั้นบางคนหลายอาจารย์หน่อยอาจารย์นี้ว่ายอย่างนี้อาจารย์นั้นว่ายอย่างนั้นบางคนอาจารย์เดียวอาจารย์ว่ายอย่างนี้นน ทีนี้ไอการกล่าวอ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใครเคารพใครก็อ้างคนนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องแปลกใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าเมื่อกล่าวอ้างเหล่านั้นอย่างนี้แล้วนะเอาอะไรมาเป็นหาข้อยุติว่าเวลาอ้างมาอย่างนั้นล้วเอาอะไรเป็นเครื่องยุติล่ะเมื่อเราอ้างนะสมมติเวลาคุยกันเนี่ยสี่ห้าคนนั่งคุยกันเนไอคนหนึ่งอ้างอาจารย์นะใครเคารพใครว่าอ้างกของตัวของตัวนั่นแหละ ไม่ยอมไปอ้างคนอื่นอยู่แล้วใครอ่านหนังสือเล่มไหนก็จะอ้างเล่มนั้นแหละถามว่าเอาอะไรเป็นข้อยุติละ่ะถ้าอ้างกันอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นก็บอกว่าบทและอัถบทและพยัญชนะบทเหล่านั้นเนี่ยว่ารวมๆนะต้องจัดเข้าไปในสูตรแสดงไว้ใ น, ในวินยัยใส่ไว้ในธรรมดาอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบธรรมดาก่อนหาข้อยุติแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆว่า เวลาเราอ้างใครก็ตามเนี่ยอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระสงฆ์ทั้งหลายหรืออ้างพระเทระหลายรูปอ้างรูปเดียวก็ช่างเถอะการอ้างใครอย่างไรก็ตามนะต้องสงเคราะห์ภาในสูตรวินัยและธรรมดาจัดเข้าในสูตรแสดงไว้ในวินยัยใส่ไว้ในธรรมดาเนี่ยนะสามคำอันนี้เป็นค่ะเป็นเครื่องยุติแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาก่อนคือทวนนะจัดเข้าในสูตรแสดงไว้ในวินยัยใส่ไว้ในธรรมดา เออหน้าท่องไว้นะสามประโยคเนี่ยเอาไว้เวลาคุยกันเอาไว้ได้คุยกันปป๊บเนี่ยมันเข้าสามอย่างนี้ไหมถ้าไม่เข้านะบอกว่าทางนั้นเลิกเถอเพราะทําไม่เลิกนะหมู่เดรฉานกําลังจะกัดกันแล้วนะก็เป็นเดรฉานคาถาไปแล้วอ่ะอ้าวถ้าไม่เข้าสามหลักนี่นะถ้าไม่จัดจัดก็ไม่เข้าประสูตรแสดงก็ไม่เข้าวินัยใส่ไว้ก็ไม่ถูกธรรมดาเนี่ยนะเป็นเดรฉานคาถาแล้วนะไม่ใช่ธรรมะแล้วนะ อย่าไปอ้างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะกินศีรษะรังแคมจะกินศีรษะลําบากอีกคำว่าจัดลงในสูตรสูตรไหนนะว่าสิ่งที่เราจัดเข้านะสิ่งที่สนทนาหรือสิ่งที่กล่าวอ้างนะมันเข้าอริยสัจข้อไหนล่ะเนี่ยนะอันนี้ธรรมดาก่อนนะเรียกว่าจัดลงในอริยสัจสี่สิ่งที่เรากําลังสนทนาพูดคุยประรอบเนี่ยมันเข้าอริยสัจอะไรอันนี้ก็ง่ายๆก่อน ข้อสองแสดงไว้ในวินัยอะไรวินัยไหนเช่นราคะวินยัยโทสะวินยัยโมหะวินยัยวินัยเนี่ยแปลว่าเป็นเหตุกําจัดเพราะฉะนั้นถ้าการพูดการคุยการกล่าวอ้างเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะถ้าไม่เข้าอันนี้ละ่ะถ้าคุยไปแล้วเนี่ยราคะเพิ่มขึ้นโทสะเพิ่มขึ้นโมหะเพิ่มขึ้นอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้านะอันนี้ง่ายมากเลยนะ ถ้าสิ่งใดก็ตามที่คุยแล้วราคะมากขึ้นโทรสามากขึ้นโมหะมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่คําสอนมีอยู่ที่เดียวนั่นในพระไตรปิฎกที่บอกอาศัยตันหาละตันหาแต่ที่อื่นทั้งหมดจะไม่มีมีอยู่ในภิคุณีสูตรอยู่ที่เดียวอังคุตรนิการจตุการนิบาตอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมาระมาระเป็นต้นนั่นมีอยู่ที่เดียวที่เรียกว่าให้อาศัยกิเลสแล้วละกิเลสที่อื่นนะปิฎกสามเนี่ยแทบไม่มีที่ที่เรียกว่าชี้ชัดพยัญชนะลักษณะนี้หายากเต็มที มีมีเนี่ยนะแต่ว่าน้อยมากใช้เป็นเวทนาอย่างเดียวใช้คําว่าเวทนาแต่ไม่ได้ใช้เป็นตัวราคาเลยนะอาศัยราคะกําจัดราคะมีอยู่ที่เดียวที่ที่เรียกว่าสอนให้มีราคามันนั้นเถอะแล้วจะได้อาศัยละราคะแต่ที่อื่นไม่มีเรียกว่าถ้าเป็นทางธรรมะถือว่าอโภโรหาริกมากเลยน้อยมากเหมือนกับว่าข้าวถังเบเรมเลยนะมีก้อนกรวดอยู่เม็ดเดียว ถามมาที่ว่าอาศัยราคะละราคาเป็นยังไงบอกโอ้โหคนโน้นเขาก็เป็นพระอาหัน์คนนี้ก็เป็นพระอาหาันไม่เราอยากเป็นบั่งอย่างนี้แหละ เ, เขาเรียกว่าอาศัยราคาละราคะไม่ได้ไปทําให้มีราคาซะก่อนจะได้ดับราคะไม่ใช่หมายถึงโอ้โหคนโน้นเขาก็บรรลุกันแล้วนะทําไมเราไม่บรรลุอ่ะเราอยากบรรลุมั่งอะ่ะลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาเอเขาก็บวชเราก็บวชทำไมเขาบรรลุเราทําไมไม่บรรลุนี่เรียกว่าอาศัยมานะละมานะอันะ เขาก็ฉันข้าวเราก็ฉันข้าวแบบแบบคนไทยก็าคุยกันอ่ะนะอ้าวคนอื่นที่เขาสอบได้เขาก็กินข้าวไม่ใช่หรืออ้าแล้วคุณไม่ได้กินข้าวหรือทําไมไม่ฉลาดกับเพื่อนเลยแล้วก็อาศัยวิธีแบบเนี้นะกระตุ้นมานะขึ้นให้ให้พระไอ้มานะแบบชาวโลกเขาเรียกว่าพยายามแต่ทํามานะทางทางพระในเรื่องถือตัวเอาความเย่อหยิ่งเข้ามาเนี่ยนะอย่างเช่นอ้าวเขาก็บวชในพุทธศาสนาเราก็บวชในพุทธศาสนาทําไมเขาบรรลุแล้วทําไมเราไม่บรรลุ มันทําไมมันต่างกันตรงไหนเนี่ยนะ ก, ก็ทําให้ภาคเพียนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสายมานะละมานะมีอยู่เท่านั้นน่ยนะแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปแล้วสอนให้ละราคะโทสะและโมหะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลากล่าวอ้างอะไรก็ตามนะดูดิว่าราคะจะลดลงไหมถ้าพิจารณาแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้นะโทสะลดลงไหมโมหะลดลงไหมอันนี้เรียกว่าสแสดงไว้ในวินไหน ส่วนใส่ไว้ในธรรมดาก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นชื่อของอะไรปัจจัยปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของปัจจัยปัจจัยธรรมทั้งหลายถ้าพูดปัจจัยปัจจยุบันเท่ากับแสดงแล้วถ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทคือวิชาสังขารก็เท่ากับแสดงแล้วถ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทคือสังขารวิญญาณก็เท่ากับแสดงแล้วเป็นต้นนะ การคำว่าปฏิจจสมุปาฏิจับปฏิจจสมุปัปณะธรรมเนี่ยคู่กันเนี่ยนะก็คือปฏิจจสมุปาทคือเหตุปฏิจจสมุปปณะธรรมคือผล